วันนี้ก็ได้ไปที่กองทัพอากาศไปพูดสมาธิกับสังคมก็มีนายทหารส่วนมากเป็นนายทหารประมาณสามร้อยคน <c oughs> กลับมาแล้วก็มาเตรียมการสอนต่อการสอนเรื่องของสมาธินี่มันเป็นเรื่องของการต่อนเนื่อง ถ้าหากว่ามันขาดตอนหรือว่าไม่ต่อนเนื่องเนี่ยมันเสียจังหวะพอเสียจังหวะแล้วความรู้จะไม่ค่อยแน่นนะเพราะว่าเรื่องของการอธิบายการสมาธิในครั้งนี้หลวงพ่อพยายามที่จะระดับคือระดับขั้นตอนให้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างจริงจัง เราจะถือว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่บุคคลหรือนักศึกษาได้มาเรียนอย่างต่อเนื่องจะได้รับความรู้ที่มีความแน่นแฟน้นและเป็นความรู้ที่จริงจังขึ้นมาอย่างเรียกว่าอย่างที่มีมีประโยชน์อย่างยิ่ง ว่าประโยชน์ในตัวนี้นั้นมันเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้กับตัวเราเองได้ด้วยและสามารถใช้กับบุคคลผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของประโยชน์นี่ถ้าเราคํานึงถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการประโยชน์ก็น้าที่ว่าการศึกษาสมาธิครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับชีวิตเนื่องจากว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่หวงแหนอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เกิดมาแต่ละชาติแต่ละคนใครจะไม่คิดว่าจะรักตัวกลัวตายหรือว่ารักชีวิตนั้นไม่มีฮะเอาชนะมันก็มีหยุ่มจะผิดไปได้อย่างไงมันหกเลขหกใช่ไหมสามแนละ้วเป็นสา เึ้นสามแล้วเหรอทาเสร็จอทุกวันมายอ่าันจะจะกลับคืนแหละที่นี่เก <c oughs> ือบไปเกือบไปเขียนก็ผิดหมดเลยวันนี้ ง, งั้นไปคิดไปยังไงได้ให้คิดกับหลังสามจุดหกใช่ไห ม, มอะไรนะทราเสร็จ่อจอ <c oughs> เราก็เริ่มเข้ารายการเลยว่า เป็นความเป็นการทําความเข้าใจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นว่าการบริกรรมนั้นทํำเฉพาะเบื้องต้นเท่านั้นในระยะที่มีความชํานาญแล้วก็หมดความจําเป็นที่เปรียบด้วยเด็กอ่อนนั้นเพราะเด็กอ่อนต้องอาศัยบิ ด, ดามารดาพี่เลี้ยงมิฉะนั้นเด็กจะโตขึ้นไม่ได้แต่ท่านเด็กคนนั้นโตขึ้น บิดามาดาพี่เลี้ยงก็หมดความจำเป็นที่จะต้องอุ้มอธิบายอย่างนี้ชัดเจนดังนั้นคำริกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของเบื้องต้นเท่านั้นแต่การเป็นเบื้องต้นนั่นเองที่จะมีบทบาทที่แนะ่เพื่อความเชื่องของจิตเพราะว่าจิตนั่นหาความเชื่องได้ยาก ถึงเข้าใจว่าการดำเนินจิตนั้นจะไม่มีการหยุดยั้งไว้ณที่ใดที่หนึ่งหมายความว่าจะต้องปรับปรุงขยับขยืขย่นไปเรื่อยเรื่เราทําความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหากยังใช้คำบริกรรมอยู่ก็ต้องเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนเปรในข้อนี้มีการอธิบายว่า <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้ ได้อธิบายถึงแล้วว่าเมื่อเวลาหยุดก็ต้องหยุดเพราะเมื่อเวลาหยุดแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีที่อยู่เมื่อเมื่อมีที่อยู่แล้วก็เท่ากันกับว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กก็เหมือนกันกับว่าคนที่ออกบ้านออกเรือนอย่างเนี้ยจำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น จึงได้ย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งว่าการบริกรรมนั้นจะต้องเปรียบเหมือนเด็กอ่อนเท่านั้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาทั้งหลายเข้าใจว่าการบริกรรมนั้นจะต้องมีเวลาหยุดและการบริกรรมนั้นจะต้องมีจังหวะหมายความว่าเมื่อได้ระยะแล้วเนี่ย ก็จะต้องเอปรับตัวเป็นผู้ใหญ่การปรับตัวเป็นผู้ใหญ่นั้นเด็กกว่าจะปรับตัวเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องอาศัยการและอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันเข้าไปอยู่ที่ เ, เรียกว่าตัวรู้และความนิ่งอธิบายไปเมื่อวานนี้นั้น ก็จะต้องอาศัยการปรับตัวในที่นั้นให้มีความ เ, ออเป็นตัวของตัวเองแต่การที่จิตไปอยู่ในที่นั้นน่ะการปรับตัวของจิตเนี่ยมันจะมีการปรับตัวของมันเองได้เราเพียงแต่ประคับปรคองเราในที่นี้หมายถึงผู้รู้เพราะฉะนั้นจะปรากฏว่ามีใครใคร ที่พอเวลาจิตมาเข้าถึงขั้นนี้แล้วก็ยังกลับก็ยังไม่หยุดคำบริกรรมก็หมายความว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถก้าวหน้าขึ้นไปให้มันมีการก้าวหน้าต่อทีนี้จะว่าถึงคำบริกรรมนั้นคำบริกรรมจะมี หลายอย่างจะพุทโธจะสัมมาอรหังจะพองหนอยุบหนอหรือจะหน้ามะพาทะอะไรก็สุดแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องถือว่าเป็นคำบริกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปตามพุทโธเอ่ยสัมมาอรหังเอ้ยอะไรไปเชื่อวตามอยู่เรื่อยๆไปอย่างเนี้ย เมื่อตามอยู่เรื่อยไปมันก็ไม่รู้จัก mm. เป็นตัวของตัวเองสักทีเดี๋ยวก็คอยจ้องอะไรอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงได้กลับคืนมาพูดในข้อนี้อีกเพราะเรื่องของการบริกรรมนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่จึงได้ยอกมาเป็นเรียกว่าบทบทหนึ่งเลยแม้ว่าบุคคล ที่ฝึกสมาธิมีอายุมากก็ไม่ได้ช่วยให้จิตของเขาเป็นเช่นอายุข้อนี้จะต้องยอมรับความจริงจะว่าไปก็คือจิตยังไม่เคยฝึดเลยนั่นก็เปรียบเหมือนเด็กเกิดใหม่นั่นเองจึงมีข้อนิยามว่าคำบริกรรมของใครดีกว่าของใครนั้นไม่ได้เพราะไม่ว่าจะบริกรรมคำใดก็เปรียบด้วยเด็กอ่อนเท่านั้น อย่างคำว่าพุโทโธไม่ได้จำกัดว่าทุกคนจะต้องบริกรรมพุโทโธแต่ที่กล่าวไว้ว่าพุโทโธดีนนั้นตรงนี้พุโทโธแปลว่าบริสุทธิ์จึงยำ้ำจิตให้สำนึกแต่การบริสุทธิ์ของจิตนั้นยังมีอยู่อีกไกลอย่างไรก็ตามความสมงบจิตหรือได้รับความสงบถือว่าได้กำจัดมลพิษเชือโรค โดยการกันกรองไปจากอารมณ์ที่เรียกว่าตัวสื่อจิตได้ระดับหนึ่งที่เราต้องย้ำข้อนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเข้าใจผิดจนถือทิฏฐิมรณนะไม่ยอมใครเข้าใจว่าคำบริกรรมของตนต้องดีกว่าของคนอื่นถือเอาเป็นส่วนแห่งมณะทิฏฐิก็กลายเป็นตัวกิเลสจากน้อยน้อยซึ่งจะกลายเป็นกิเลสตัวใหญ่ต่อไป ในข้อนี้นั่นก็เป็นอันว่าอธิบายให้เข้าใจว่าการฝึกสมาธินั้นอายุไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเปรียบเทียบกันว่าอายุมากแล้วกเ็เขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่อายุน้อยก็จะต้องเป็นเด็กไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอายุมาเป็นเครื่องปรับการฝึกสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าสมาธินั้นอะ อสมมุติว่าอายุแปดสิบก็เพิ่งจะมาเริ่มเรียนสมาธิมันก็เท่ากันกับอเด็กกําลังเกิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นแล้วทีนี้ในที่นี้ก็จะต้องจํากัดว่าแนะนําไว้ว่าการบริกรรมนั้นเมื่อเราบริกรรมอย่างไรจิตมันสงบเราย่อมถืออันนั้นได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วเราก็หยุดคาบริกรรมนั้น ทีนี้ถ้าเราจะเปรียบอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับเราที่ได้สร้างบ้านเรือนขึ้นมานั่นไอ้วิธีการสร้างบ้านเรือนนั้นอ่ะวิศวกรก็ดีสถาปัตย์ก็ดีตางคนก็ต่างเรียนมาแต่ละสำนักการสร้างก็ผิดกันแต่ว่าในข้อรวมนี่จะเหมือนกันคือสร้างบ้านให้เป็นหลังแต่วิธีการของเขา เขาก็จะมีวิธีการของเขานั่นนั่นมันเป็นเรื่องที่เราตำหนิเขาไม่ได้แต่เขาทำยังไงที่จะให้บ้านมันเป็นบ้านขึ้นมานั่นเป็นการใช้ได้เหตุนี้เป็นความสาคัญที่นักศึกคนคลายทิฏฐิมานะอันเนื่องมาจากคำบริกรรมที่ยึดถืออยู่เพราะการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงแห่งความเป็นจริงนี้เองที่จะทำให้คลายความข้องใจในหมู่นักสมาธิไม่ว่าสิ่งอะไรทั้งปวงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือเรียกว่าความเป็นเอกภาพเป็นส่วนให้เกิดพลังมหาศาลในทางตรงกันข้ามหากไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าไม่เป็นเอกภาพก็จะลดพลังลงอย่างมากมายทีเดียว แม่หลักการวิธีการจะดีสักเพียงไรเมื่อไม่เป็นเอกภาพก็ไม่มีความหมายเท่าไรแต่ถ้าหลักการวิธีการดีและก็มีความเป็นเอกภาพจะเกิดพลังมหาศาลจึงอธิบายปรับความเข้าใจเรื่องบริกา ร, รนี้เสียแต่เบื้องต้นเป็นการที่ถูกต้องอันนี้หมายความว่าเมื่อเราได้พากันมาบริกรรม โดยส่วนมากเราก็จะบริกรรมพุทโธกันแล้วและเมื่ อ, อความเป็นเอกภาพหมายถึงว่าจิตนี้ได้มุ่งสมาธิเป็น เ, เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นความมุ่งหมายอันเดียวกันอย่างนี้เขาเรีย ก, กว่าเอกภาพระดับหนึ่งทีนี้เอกภาพอีกระดับหนึ่งก็คื อ, อการดําเนินการเพราะว่าเรามาอยู่ในกลุ่ม หมายความว่าอยู่ในกรุ๊ปนี้มันก็จําเป็นที่จะต้องทําอย่างน้อยที่สุดไม่เหมือนกันก็ต้องคล้ายคลึงกันแม้กับว่าเมื่อเราจะไปอยู่ในกรุ๊ปไหนในในพวกไหนเนี่ยเราก็ทําตามพวกนั้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปเอเสียเอกภาพเมื่อเป็นเช่นนั้น ความเป็นเอกภาพอีกประการหนึ่งก็คือการบริกรรมที่เราจะต้องใช้การบริกรรมที่อยู่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันตลอดจนกระทั่งการที่วิธีการนั่งวิธีการนั่งเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่งหัสมสมาธิแล้วมือขวาทับมือซ้ายอะไรนี่การที่เป็น เป็นเอกภาพอีกชนิดหนึ่งและนอกจากนั้นก็จะมีเอกภาพหลายอย่างเป็นต้นว่านั่งในเวลาเดียวกันแล้วก็อยู่ในเวลาเดียวกันที่มีเป็นจำนวนเท่าไร่เราก็นั่งในเวลาเดียวกันในจำนวนเท่านั้ น, นความเป็นเอกภาพทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีสิ่งที่ เขาเรียกว่าอัญญมัญยังอย่างที่นักศึกษาบางคนไม่รู้ว่าอัญญมัญยังแปลว่าอะไรอัญญามัญยังนั้นแปลว่าอาศัยซึ่งกันและกันเมื่ออาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้ความช่วยกันมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เรานั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่าเราเรานั่งสมาธิด้วยกันแล้วไม่ช่วยกันนั่งสมาธิด้วยกันแล้วเนี่ย มันจะเกิดการช่วยกันขึ้นมาในตัวซึ่งการช่วยกันอันนี้ที่เป็นนามธรรมนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยโดยความมุ่งมันเกิดการมุ่งอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดความมุ่งในจุดเดียวกันมก็ช่วยกันเหมือนกันเราลากตุงอันใหญ่สักตุงหนึ่งอย่างเนี้ยในการลากตุ้งนั้นอ่ะแรงบางคนก็มากกว่าบางคนก็น้อยกว่า บางคนไม่ได้ออกแรงกับเขาหรอกแค่เอามือไปติเชือกส่วนนั้นเองอย่างนี้แล้วก็ทุกคนนีเ้เขาก็สามารถที่จะลกตงุงซึ่งเขาไม่สามารถจะลกคนเดียวได้ไปได้แล้วแรงมันก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยความเป็นเอกภาพเหมือนกันกับเรื่องของแสจิตใจเนี่ยเมื่ออาศัยความเห็นที่ตรงกันแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกัน อันนี้จะช่วยกันได้เยอะมากเมื่ช่วยกันได้เยอะแล้วเนี่ยแทนที่เอเราจะไปไม่ไหวก็กลายเป็นคนไปไหวเพราะว่าอยู่ในเอฐานที่เดียวกันด้วยเหตุนี้จึงมีไอ้คณะการทําสมาธิหมายถึงว่าการทําสมาธิเป็นคณะขึ้นแล้วไปทําคนเดียวก็ย่อมถือว่าเป็นคนเดียวหรือไปทํา รูปสามคนห้าคนจะถือว่าไปทำรูปสามคนห้าคนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าในพระเจ้าไปเทศที่ไหนมีคนจำนวนแปดหมือ่ 80, อหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นจำนวนหมื่นคนขึ้นไปถึงแสน และในจำนวนคนหมื่นคนถึงแสนเนี่ยมีพลังคือเป็นเอกภาพอันเดียวกันเนี่ยพอเวลาพระเจ้าเทศจบเนี่ยทุกคนไม่มีเหลือเศษแม้แต่คนเดียวจะสำเร็จหมดเลยถ้าะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้เราอาจจะมองได้ว่าในคนในจำนวนแสนคนเนี่ยจะมีวาสนาอย่างนี้บ้างต่ำบ้างสูงบ้างอะไรอย่างนี้ มันจะไปเท่ากันนะั้นเป็นไปไม่ได้มันจะมีคนสูงมีคนต่ําแต่ว่าพอเวลาไปเป็นคณะสมาธิขึ้นด้วยที่พระพุทธเจ้าเ อ, อเทศนาขึ้นอย่างนี้แล้วก็พลังจิตของพระพุทธเจ้าและพลังจิตของคนจํานวนแสนได้เข้ารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอะไรที่จะทานได้กิเลสเท่าไหร่มันจะทานไม่ไหวเพราะฉะนั้น เมื่อรวมกันอย่างนั้นแล้วก็สามารถกำจัดได้เพราะฉะนั้นในแสนคนนี่ไม่เหลือเศษแม้แต่นหนึ่งคนอย่างนี้เป็นต่นเรื่องของเรื่องคณะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อการรวบรัดหรือการทำรูบล้วด อ, อหรือความมัว่วจะทำให้เป็นเพียงว่าเอาไปใช้ได้เท่านั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อคำเตือนว่า การทำสมาธิเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องการทำเล่นและอย่าไปคิดว่าอยากจะรวบรัดให้จิตมันรวมไปซะเลยอย่างนี้เป็นตน้นอย่างที่อธิบายไว้แล้วว่าเวลาที่ เ, เรานึกอคุดโธไปจิตมันสงบเนี่ย <c oughs> เราก็รีบลงพวางไปเลยอย่างเนี้ก็ฟีไปเลยไม่ได้อย่างงั้นเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งให้มันเป็นฉะนั้น ถ้าหากเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันรั่วอย่างที่หลวงพ่อไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องเดียวกับหลวงปู่มัน่นอพอเวลาหลวงพ่อเอทําสมาธิครับไม่จ้องให้มันนานแล้วเข้าฌานไปเลยอหายไปเลยท่านเดินมาจากกดของท่านมาถึงก็มาเคาะกฎข อ, ขอขงพ่ออบอกว่าแก้ทําผิดแล้วอ อันนี้เราก็จํากันมาจนกระทั่งฝันนี้เพราะฉะนั้นจึงจํามาเพื่อที่จะบอกนักศึกษาทั้งหลายว่าการลวกนั้นน่ะก็หมายความว่าผลมันเกิดออกมามันน้อยมันไม่มาก <c oughs> แม้ว่าจะเป็นการอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องทำเพราะถ้าจะเอาแต่เพียงรู้ไม่ลึกซึ้งถึงจะซ้อมกันหลายครั้งเช่นโคนต้นไม้ หวังให้ต้นไม้มันมันล้มเนี่ยเราก็ต้องฟันมันตรงเดียวถ้าเราไปฟันหลายที่มันก็มันก็ล้มไม่ได้การเปรียบเหมือนเด็กอ่อนของจิตที่เริ่มต้นเพราะผลออกมาอย่างน่าพอใจก็น่ายินดีที่ตนของตนจะได้มีพลังจิตที่มีความสุขเป็นภายในจะเปรียบเหมือนเด็กอ่อนก็ไม่เห็นเป็นไร เพราะในได้มีสิ่งที่ต้องการเข้ามาอยู่ในมือแล้วย่อมเรียกว่าเราได้แล้วได้อะไรได้ความสงบตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีที่เป็นซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่มีแม้แต่เงาอย่างที่ว่าเราจะก่อนจะมาทําสมาธิไม่เคยทํามาอย่างเงี้ยมันมองเงาก็ยังไม่เห็นแต่เวลานี้ เออมันมาถึงจุดที่มีที่เป็นแล้วก็ไม่ทราบจะเดาอย่างไรเช่นด้วยเมื่อมันไม่มีอะไรเลยจู่ๆเมื่อเราทำขึ้นได้คุณธรรมอามะตธรรมก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นแม้จะไม่มากนักแต่นั่นก็คือจุดวิเศษหมายถึงว่าเราทำเนี่ยมันก็จะต้องเกิดเกิดอะไรก็คือจะเกิดความสงบ ความสงบวันนั้นก็คือพลังจิตพลังจิตก็คือสิ่งที่มันไม่สูญสลายตัวอยู่แล้วข้าพระเจ้าได้ลูกชายลูกหญิงผููเป็นหัวหน้าครอบครัวจะกล่าวขึ้นด้วยความดีใจเพราะนั่นคือยอดปรารถนาที่จะให้มีทายาทแม้ทายาทนั้นจะตัวนิดเดียวแต่นั่นคือความหวังที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปร่างอย่างแท้จริง แต่ว่าหน้าครอบครัวก็จะต้องทราบว่านั่นคือเด็กทารกจะทำเหมือนคนใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงแบบทารกบางคนถึงกับกลางตาราเลี้ยงเด็กแม้สมาธิมีคำบริกรรมเปรียบเทียบวันเด็กอ่อนก็ตามแต่ที่เกิดมานี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราเรอคอยมานานแล้วบัดนี้เราก็ได้พบมันเข้าแล้วเราจะทาอย่างไร เราก็จะต้องประครบประหงมให้ดีที่สุดจนเกิดผลสำเร็จต่อไปเพราะจิตนั้นมีการพัฒนาขึ้นต้องอาศัยการเวลานานมากอาจจะได้ในชาตินี้ชาติหน้าหลายภพหลายชาติการทำเรื่อยไปแบบไม่รู้จักเนจ็จจกเหนื่อยนั่นแหละจึงจะประสบประสบความสำเร็จในที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะย้ำให้เข้าใจว่าไอ้ตรงที่เราได้เนี่ย มันก็ดีที่สุดละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเด็กอ่อนแต่มันก็ดีที่สุดแล้วดีที่สุดก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ยังต้องออต่ออีกนั่นแหละว่าหลังจากไปเมืองคำแหงแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ เห็นท่าจะลีล อ, อไม่ได้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนั้นวิธียังเราเดินทางต่อนะ เ, อเดินก็เดินเป็นไรเป็นกันในที่สุดก็ไม่มีใครเหลือแต่ลูกศิษย์ก็อาจารย์เท่านั้นเองไม่มีใครร้องพ่อหนึ่งอาจารย์หนึ่งก็ไปกันเมื่อพ้นเมืองเขมรก็เข้าสู่อารั์ประเทศ พอเข้าสู่อารันประเทศเราก็อบอก อ, อาจารย์ก็บอกว่าเราหาบ้านล่างๆสักหลังที่หน้าเออวันนี้ยังไม่นอนคนต้นไม้ล่ะขอนอนบนบ้านสักหลังลมันจะได้สบายหน่อยแล้วเราจะได้เอากําลังขึ้นเขาเพราะว่าจากอารันประเทศแล้วเนี่ยจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าเขาใหญ่เออมันเป็นเทือกเดียวกันกับ ไอเขาใหญ่เมืองโคราชนี่แหละวัน <c oughs> ดีเย่างนั้นเอา้าวิทยาลัขึ้นสํารวจในบ้านหลังนี้เราอยู่ได้แน่พอขึ้นไปสํารวจไ <c oughs> อยา่า <c oughs> ขี่ญี่ปุ่น <c oughs> ญี่ปุ่นเนี่ยมันไปขี้ในป่าไม่เป็นไม่เหมือนคนไทยคนไทยเขาเห็นป่าไอป่านเนี่ยรอบๆอบนั้นก็เป็นป่าท่านั้นแหละแต่มันไม่ไปขี้ เทีนี้มันก็ไปขี้บนนั่นแต่เวลานอนมานอนข้างล่างไอญี่ปุ่นเนี่ยเวลานอนนอนข้างล่างเวลาขี้ขึ้นไปขี้บนบ้านบ้านมันไม่มีส่งมันมีแต่พื้นมัน ก, ก็ขี้ตรงนัางกองหนึ่งตรงนี้กองหนึ่งตรงนั่งกองหนึ่งบอกนอนก็นลงมาบอกรลวงพ่อครับมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวยังไงเอองั้นนะ เยโอ้ยขี่เต็มหมดเลยเฮ้ยมันไม่มีมนุษย์ไหนเราก็จะไปขี้บนบ้านมันก็มีมนุษย์ญี่ปุ่นนั่นอ้าวงั้นอาจารย์ขึ้นสิขึ้นไปพอเขขึ้นไปโอ้โหขี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่กองเล็กๆกนะองใหญ่ๆทั้งนั้นวิธียังไหนๆเราก็จะต้องนอนแล้วล้างเลย <c oughs> <c oughs> บางทับให้เราล้างขี่ญี่ปุ่นนะ่ะ เ อ, อาจารย์อาจารย์ของหลวงพ่อนี่เป็นอย่างนั้นนานิสัยเนี่ท่านจะเอาอยัางไงต้งเอาให้ได้ที่ญี่ปุ่นก็ต้องยอมหลวงพ่อก็เอาเมื่ออาจารย์ใช้อย่างนง้นก็ขึ้นกวาดเลยนเนข็ดกระกรองกระกองแ<อ>ย่จริงจริงนะเราที่ญี่ปุ่นทาไมมันเหม็นอย่างงี้ <laughs> เราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขนที่ญี่ปุ่นออกหมด แล้วก็เอาน้ำไปล้างล้างแล้วก็เช็ดพอเช็ดเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเราก็กางกดถาวายอาจารย์ <c oughs> แต่หลวงพ่อบอกว่าหงพ่อไม่เอาหลวงพ่อจะนอนข้างล่าง <c oughs> าแกจะไ่นอนข้างลางาอาอ่างก็ไปอยงานั้นหลวงพ่อกอ็ไปนอนข้างล่างเสร็จแล้ว พอเวลาท่านเอนหลังเราก็ต้องเข้าไปบีบท่านพอบีบไปบีบมาเฮ้ที่ล่างนี่มันไม่ค่อยหมดฮ่่าุตขึ้นมาอีกรอบน่ยังว่าสิงอะไรว่าที่หัวนองตูดฮ่นฮ่าาฮ่านน่าฮ่าา ดอนมันยันดอ น, ดอ น, ดอนมันเตมอาจารย์หลวงพ่อนท่านชอบจังนั่นในที่สุดลีดไปดีมาก็เรียบร้อยท่านก็จำวัดท่านก็ยอมมันจะเป็นยังไงท่านก็ยอมหมดคืนท่านก็นอนอยู่ข้างบนเราก็นอนข้างล่างสบายไป เดี o, e e ๋ยวเราค่อยสอก็แล้วกันเราแค่นี้ก็ขอเชิญคุณปันจะรงมยานนนทนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพก็ผมไม่ได้ก็กลับคืนมาบริกรรมใหม่ถามตนเองว่าใครคือผู้รู้หลังจากนั้นก็บริกรรมพุทโธนะครับหลังจากที่บริกรรมพุทโธไปแล้วหลายครั้งก็เกิดจิดนี่ จิตว่างขึ้นมาในช่วงที่บริกรรมพุทโธนั้นนะครับผมก็หยุดบริกรรมพุทโธนะครับปล่อยให้จิตว่างจิตนั้นจะว่างอยู่ประมาณสักห้านาทีก็เกิดมีสิ่งแวดล้อมเข้ามารบกวนพผมเองก็กลับมาบริกรรมพุทโธใหม่เพื่อจะล้อมจิตให้นิ่งอย่างเดิมเป็นอย่างนี้สลับกันอยู่เรื่อยจนกระทั่งครบเวลาของการสมาธิผมขอกราบเรียนถามท่านว่า อย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ อ, อ่ก็คือถือว่าเป็นการทำที่ถูกต้องเพราะว่าการที่ได้ทำนวนไปนั้น เ, เป็นระยะเริ่มต้นเมื่อเวลาที่นั้นเกิดความสว่างจะแสดงว่าจิตใกล้จะเข้าไปตั้งตัวแล้วแต่เมื่อตั้งตัวไม่ได้ก็กลับคืนมาบริกรรมใหม่แล้วก็ มีการถามว่าใครคือผูร้รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างถือว่าถูกต้อง <c oughs> ครับขอบพระคุณครับต่อไปก็ขอเชิญคุณปิยพันธุ์อุดมศิลป์กราบสัสการท้าอาจารย์ค่ะคือในวันนี้หนูยังไม่มีปัญหาอะไรที่จะกล่าเปลี่ยนถามเพราะว่าปัญหาของ ท่านนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยได้ไขข้อข้องใจของหนูไปบ้างพอสมควรแล้วค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะว่าก็สวัสดี <c oughs> <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณเฟรมเิีรติวรสิตกล่าวนะมัตก า, ารแพทย์อาจารย์ค่ะสิทธิ์นำสมสกุลวิริเวศร์นะคะของพ่ออ๋อไม่ใส่ตะลิ่ง จะอยากจถามว่าเอสมาธิกับกรรมฐานเนี่ยต่างกันยังไงแล้วจริงหรือไม่ที่กรรมฐานการนั่งกรรมฐานเนี่ยสามารถทําให้เรารู้กรรมของตัวเองได้อสมาธิกับกรรมฐานเป็นตัวเดียวกั น, กกรรนเพราะฉะนั้นจึงเรีย ก, กว่าสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานค้าจะใส่เข้าไปข้างท้ายถ้าทําความสงบแล้วเนี่ยก็จะเป็น สมาธิกรมฐานถ้าพิจารณาถึงความเกิดความดับมจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นทั้งกรรมฐานและทั้งสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเมื่อทําสมาธิลงไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องทํากรรมฐา น, นเพราะว่ากรรมฐานก็คือสมาธิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทําสมาธิลงไปแล้วเนี่ย ก็จะเห็นกรรมของตนเองได้บางคนสามารถที่จะเห็นว่าเราทำอะไรกรรมอะไรมาไว้อันนั้นมันก็คงจะต้องไปอีกระดับอีกหนึ่ง <c oughs> ขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณพระกาแมานเกษ ม, มศรีกราบในมรรการหลวงพ่อค่ะลูกมีคำถามจะถามเพียงหนึ่งคำถามแต่ก่อนหน้านั้นจะ ขอเล่าย้อนเล็กน้อยถึงการปฏิบัติของตัวเองจูเคยปฏิบัติอาณาปานสิกมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติที่วัดบวรนั่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ที่ที่นั่งอยู่ที่ริมถนน น, นั่งจน เสียงรถบัสเสียงรถยนต์ดินมถนนหายไปหมดแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนรวหมหายใจไม่มีก็เลยตกใจตื่นแล้วตั้งแต่นั้นก็ปฏิบัติมาอีกแต่ว่าก็ทิ้งทิ้ ง, งห่า ง, างไปก็ค่ะแล้วก็ต่อมาก็มาศึกษาทางด้านยุทพองแล้วก็นั่งยุทพองไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยจะมีมีอยู่ช่วงหนึ่งคือ พอหลับตาปุ๊บก็จะเป็นอาการที่ใจเนี่ยไปตามตัวต่าง ๆ, ๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้โยกไม่อยุดก็เลยหยุดก็ก็ถามถามผู้รู้ผู้รู้ก็บอกอควรจะหยุดให้ไม่ให้ตัวโยกก็เลยสั่งให้หยุดแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติยุบพองแต่ก็กลับมาอานาปาณสีตั้งแต่นั้นมาประมาณอีกสองปีนี้ก็ค่อนข้างจะ ก็สงบดีนะคะง่าย น, นะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าการการเข้าสงบแล้วเนี่ยการเข้าสู่ผวังเนี่ยคืออะไรเป็นการนิ่งแบบรู้สึกตัวขึ่งๆึกลางกงหรือว่ามันรู้สึกมันตื้อๆบางครั้งก็รู้สึกว่าเบาดีนะคะไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้คือจริงจรง เป็นอาการของการปฏิบัติที่ไม่ค่อยก้าวหน้าหรือว่าอย่างไรครคบเปการที่าเป็นนั่งอยุดข้างถานนจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอันนั้นก็สื่อการเข้าฌานไปแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเป็นฌานก็ต้องเป็นสมาธิไปก่อนแต่ทีนี้ค่าที่เอไม่ได้รับการแนะนําที่ถูกต้องนักก็เลยเสียหายไป หมายความว่าเป็นไปแล้วก็แล้วกันต่อมาอาการที่มันเกิดโยกโครงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการของการในสติของเราควบคุมจิตไม่คือควบคุมจิตไม่ได้มันก็เลยกลายเหมือนกับว่าเรายกโครงไปแต่ส่วนการเฝ้ารวังนั้น่นคือจิต เมื่อสงบไปแล้วเนี่ยรีบเข้าพาวังมันก็หายไป ม, ไ ม, มันก็ไม่เหมือนกับครนอนหลับแต่ว่าการเข้าพาวังนั้นเป็นส่วนดีอันหนึ่งที่จะทำให้จิตของเรานี่เกิดความํำนานเมื่อเข้าหลายครั้งเข้าในฐานะที่ทำสมาธิเข้าพาวังก็จะได้ได้พบกับอาทิตยสมานกายซึ่งจะเป็นทางให้เกิด อ, อะไร <c oughs> ถ้าเกิดความชำนาญมากเข้าก็กลายเป็นหูทิพย์ตาทิตย์ละไรว่าไปเรื่องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนการที่มาทำสมาธิในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่จุดประสงค์แท้จริงของการทำสมาธินั่นคือพลังจิตเราจะทำด้วยวิธีไหนจิตของเราสงบเข้าไปเป็นสมาธิก็เกิดพลังจิต ี่เ่ในที่นี้จุดประสงค์ต้องการพลังจิตอันนี้คือจุดประสงค์ของสมาธิที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราให้ทำไปแล้วก็ให้เกิดความสงบไปแล้วก็เก็บพลังจิตไว้เยอะๆต่อไปแล้วจะเป็นยังไงนนก็แก้ไขได้เองเหมือนกันกับเราเก็บเงินไว้เยอะ <c oughs> ต่อไปจะใช้ใจ่ายอะไรอย่างนี้เราก็มีคนแนะนำให้ <c oughs> อขอแค่นั้นออบขอบพระคุณพระอาจารยต่อไปขอเชิญคุณขะกา마สปิติสารครับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเอะคือบางครั้งนะคะที่จิตนั่นสมาธิในห้องบางครั้งยังรวมจิตอยู่ไม่นิ่งก็มีอยู่สองครั้งค่ะที่เกิดขึ้นก็คือจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนพลังจากข้างหน้าเนี่ยอัดมาเพราะว่าจะนั่งเยื้องๆกับท่านอาจารย์อยู่ด้วยค่ะคือความรู้สึกนั้นคือ คือนั่งแล้วรู้สึกว่ามีมีแรงผลักมานะคะอยากอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นพ่ออะไรคะเป็นความรู้สึกที่จริงเรื่องคงไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าจิตเป็นขึ้นมาอย่างนั้นนะคือในขณะนั้นจิตกำลังจะจิตกำลังเป็นสมาธิแล้วกันเพราะว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วกิ ร, กริยาการต่างๆเนี่ย อย่างกระแสจิตของเราเนี่ยจะเห็นแสงบ้างเห็นอะไรบ้างอย่างเนี้ยไอ้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอจิตมันสงบไปแล้วมันก็เกิดเอะเรามองเห็นเพราะว่าจิตในขณะนั้นเนี่ยคล้ายกันกับว่ามันมีอกระแสเกิดขึ้นแตแต่เรามองเห็นแสดงว่าตาสว่างขึ้นในเมื่อคนมีสมาธิเพราะการเป็นสมาธิก็เท่ากันกันกบว่า เปิดถูเปิดตาแต่เปิดตาในพอเป็นสมาธิก็จะเกิดตาในขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอขอพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณผองศีบุญวัดธรรมธเมพันเตยหลวงพ่อพระอาจารย์นวมศัการค่ะผองศีบุญวัดค่ะลูกสาวเียนถามอาจารย์ว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิแล้วบ่อยๆที่เคย เขาในขั้นสงบที่คิดว่าตัวเองได้สงบแล้วในการภาวนาที่ว่าคําว่าพุทโธนั้นยังอยู่ตลอดในช่วงที่หนึ่งที่ในช่วงหนึ่งที่ว่าหายไปนั้นน่ะสติยังอยู่ว่าตัวยังนั่งอยู่ทําอะไรอยู่แต่ว่าเบาว่างในะในส่วนนั้นเนี่ยคําภาวนาที่หยุดหายไปนั้นจะเรียกว่าหยุดของในหยุดได้ไหมคะเถํามันหายไปก็ถือว่ามันหยุดเอง <c oughs> แต่เรายังดูอยู่ต่อไปอนะก็ไม่ต้องไปภาวนาต่อปล่อยให้มันหยุดไปตามไปนะั่นเอง <c oughs> แล้วก็ในขณะที่นอนหลับแต่ว่าจิตที่เคยภาวนาเคยสมาธิอยู่มันก็เหมือนกับว่าจิตยังเป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นแต่บางครั้งก็เหมือนว่าจิตจะไปตกอยู่ในสว่างนั้นก็จะตกใจตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เป็นยังไงอันนี้จะเกี่ยวกับว่าการที่จิตเป็นสมาธิสว่างอยู่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่นอนหลับนะั่นนะมันเป็นเวลาที่จิตมันมีสมาธิพักผ่อนตามธรรมชาติ แต่เวลาที่เราทำสมาธิไว้ก่อนที่เราจะหลับอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวลาที่หลับไปแล้วมันไปเป็นสมาธิอาตอนหลับพอเวลามันหลับแล้วถึงมันเกิดเอสติ ส, สาไม่ทันมันก็เลยสะดุ้งสะดุ้งขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามเวลาที่เรานอนเนี่ยเราก็ควรจะทำสมาธิแบบ ธรรมดาธรรมดาคือจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เรานึกในใจอย่างนั้นมันมาเจอท้น <c oughs> เองค่ะอย่างนึกเราก็ทําให้จิตของเราเนี่วางธรรมดาซะอย่าไปคิดว่าเราจะทําสมาธิในเวลานอนให้มากนักก็หรือว่าธรรมดาไปก็แล้วกันถามนามจัการขอพระคุณอ่าก็ต่อไปคงเป็นคุณพันนัทีรทัาพวง ก <c oughs> ับน้ำมัสการพระอาจารย์ครับเสิทธิ์มีปัญหาที่อยากจะเรียนถามคือสิทธิ์นี่เพิ่งจะเริ่มเอฝึกทําสมาธิกับพระอาจารย์เป็นเป็นครั้งแรกกันนะครับแล้วในตลอดเวลาที่ได้ร่ําเรียนมาแล้วก็ทดลองฝึกสมาธิดูเนี่ยในการนั่งเนี่ยปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะนึกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าเออ่ยังยังได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนไหมว่าเสียง ไอแกลแอมเสียงจามอะไรต่างๆอนะครับแล้วก็ถ้าที่ฟังจากเพื่อนสมาชิกเอที่บางคนสอบถามบางคนจะเห็นนิมิตเห็นอะไรต่างๆในศีลก็ยังไม่เคยเห็นในจุดพวกนั้นจากคําถามของศีลมีอยู่ว่าไม่ทราบว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติเป็นครั้งแรกเนี่ยจะใช้เวลานานเพียงไหนที่ที่จิตจะสามารถเข้าไปอีกอีกระดับหนึ่งได้เช่นการเห็นนิมิตหรือว่าการที่จะไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกต่างๆไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนครับ อันนี้เราคงกำหนดไม่ได้คือการทำนี่ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าการทำสมาธิจุดมุ่งหมายต้องการพลังจิตเมื่อเราบริกรรมพุโทโธไปนับแต่วินาทีของการบริกรรมพุโทโธนี้จิตเป็นสมาธิแล้วแม้จะได้ยินเสียงจามเสียงไอเสียงอะไรต่างๆได้ยินไปแต่ก็จิตในขณะนั้นเรายังมีสตินึกพุโทโธอยู่ก็ถือว่า ได้พลังแล้วพลังจะเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้ต่อไปอาการที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเขาจามเขาไอายรืว่สิ่งต่างๆที่มีเสียงกระทบมานี่ใจเราไม่ตกใจหรือไม่หวั่นไหวไปตามอันนี้จิตจะมาเข้าอีกระดับหนึ่งเรียกว่าสูงขึ้นทีนี้เมื่อเวลาที่เสียงต่างๆเกิดขึ้นแล้ว มันเหมือนกันกันกบว่าห่างตัวเราสักครึ่งสองครึ่นี่เข้าไม่ถึงอันนั้นก็ถือว่าผิด ก, ก็ได้สูงขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่การที่จะเห็นนิมิตเห็นอะไรนั่นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ อ, อสําคัญนะักเพราะว่านิมิตคือกิริยาจิตแพรณิตหนึ่งเท่านั้น <c oughs> แต่การที่จะรู้ว่าเราจะ ได้พบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเมื่อไหร่นั้นอันนี้กำหนดไม่ได้ก็ต้องสุดแล้วแต่ว่าพลังจิตที่เราสะสมไปนั้นมากน้อยแค่ไห น, นและก็จะเกิดผลในต่อไป <c oughs> ขอพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณพระนิต ด, ดาเรืองวานิต ก, การนำมันการทัศนาจารย์ค่ะวันนี้เสร็จไม่มีปัญหาค่ะขออนุ ญ, ญาต ให้ผ่านไปฮะขอพระคุณมากอะสวัสดีอขอเชิญคุณพรพิชเือนคราบนระัศการหลวงพ่อค่ะวันนี้ติมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับ ร, ระหว่างบุญและบาปถ้าหากว่าการฆ่าสัตว์เพื่อนำสัตว์นั้นไปประกอบอาหารมีจุดประสงค์เพื่อจะนำอาหารนั้นไปถวายพระหรือผู้ที่เดือดร้อนจะได้บุญไหมคะเออ ว่าไหมไปจับปลามาปลามันก็ยังไม่ตายแล้วก็มาจับปลาฆ่าปลาแล้วไปถวายพระ <c oughs> อันนี้ก็แบ่งกัน <c oughs> ส่วนเป็นบุญก็ถวายพระส่วนเป็นบาปเราก็ทำไปก็ แล้วจะได้เท่ากันหรือเปล่าคะมั่นก็คงจะแบ่งกันหมายความว่าบุญมันก็ได้เยอะกว่าแต่ว่าบาปก็ต้องมีอยู่ขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณพรชัยแช่มพงศ์ <c oughs> าา่าสาราจารย์า่า์ครับท่าทมีคำถาม ท, าที่อยากจะถามหลวงพ่อดังนี้ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวของสิทธ์เองเมื่อประมาณปีสามห้าบังเอิญได้เข้าไปร่วมในพิธีการไหว้ครูของเขาเขาวิธีหนึ่งเพราะว่าความไม่รู้อยากจะเข้าไปเห็นว่าเป็นการกุศลดีเพราะเขาเชิญไปนะครับก็ไปนั่งฟังเขาสวดอะไรเพิ่เพินมอยู่สักพักหนึ่งก็ในกายหนึ่งกายเนี่ยมีจิตเราหนึ่งหนึ่งจิตเรารู้แต่สักพักหนึ่งจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นเข้าสู่ภาวะแล้วก็เกิดอาการที่เราบังคับตัวเองไม่อยู่ เหมือนถ้าใครเข้ามาซ้อนเราอีกสักคนหนึ่งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกึ่งรู้ตัวกับไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเวลาเราสวดมนต์เองหรือทำอะไรเองหรือเราได้ยินเขาเข้าพิธีอะไรเนี่ยก็จะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นทุกครั้งจะพยายามบังคับตัวเองแต่บางครั้งมันบังคับไม่อยู่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจิตเราหนึ่งจิตกับกายเนื้อเรากายหยาบเราหนึ่งกายเนี่ยทาไมถึงมี อิตอื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่เข้ามาแทรกเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับอ่าจิตเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่า <c oughs> มันมีระดับคืิดระดับจิตกรรับระดับประสาทที่มันจะคอยประสานกันพอระดับจิตกรรับระดับประสาทคอยประสานกันเนี่ย <c oughs> ก็ไปเกิดสิ่งหนึ่งที่มักนกระทบเข้ามาสิ่งนั้นอาจจะเป็นเสียงสวดมนเรืออาจจะเป็น เสียงอะไรที่มันมีอำนาจพอสมควรมันจะเข้าไปหาจิตเราระดับนั้นพอเข้าหาจิตเราระดับนั้นมันก็เลยไปลบประสาทตรงที่ตรงที่จิตกับประสาทที่จะประสานกันมันก็เลยเข้าราะวังทับพอเข้าราะวังแล้วก็เกิดให้ประสาทตรงนั้นน่ะมันก็เกิดอาการทารุน หรือว่าเกิดอาการ <c oughs> อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะาะฉะนั้นพอจิตกับประสาท ต, ตรงนี้กระทบกันพับเนี่ยมันจะเข้าผวังไปทันทีแต่สิ่งนี้จะหายได้ด้วยสติคือเราบริกรรมพุทธโธเยอะๆพอบริกรรมพุทธโธเยอะๆแล้วก็อย่าให้จิตนี่มันหวังเข้าไปถ้ามันจะรีบเข้าผวังก็ ลืมตาสบ้างหรือว่าอะไรก่อนแล้วให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าที่ตั้งคือส่วนผู้รู้เอาั้นไว้ให้เยอะที่สุดคิดว่าไม่ช้าสิ่งนี้จะหายไปได้เอง <c oughs> ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณพรทิพเจริญอาพรวัฒนา พรชยีแลวนั้นไม่มาถามเรียนท่านท่านหลวงพ่อนะคะเ อ, อ่อสิไม่มีคำถามจะถามนะคะขอบคุณค่ะ่สมัยเยอะนักต่วันนี้ <c oughs> สามลายแนละ้วที่หลังคงไม่ยอม <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณพรเทพศิมป์ทิบุญจากกรชมการหลวงพ่อเจ้าค่ะ จะกล่าวเรียนถามว่าคนที่มีอาการหืด อ, อบเนี่ย น, นะคะเป็นโรคประจําตัวตั้งแต่ยุคศวรรษที่เนี่ยจะสามารถเรียนเ อ, อสมาธิของหลวงพ่อได้จนถึงจบไหมคะการเป็นหืดอบอเนี่ย เ, เกี่ยวกับเป็นโรคประจำตัวและการทําสมาธิก็คงจะไม่ขัดกันแต่การเป็นโรคแพ้ชนิดนี้เนี่ย อ, อกินเมล็ดโกอหาย ลูกมะดิดค่ะมะละมะละกอลูกเท่าทิสะแม่มืออย่าให้โตกว่าเท่ากับทิสระแม่มือเนี่ยแล้วก็เอากะปิยัดเข้าไปให้เต็มแล้วก็ไปเผาไฟอเอาเผาไฟแล้วก็ทานให้ทานติดต่อกันในอาทิตย์แรกวันละลูกวันละลูกพออาทิตย์หลังเนี่ยให้อาทิตย์ละ แต่สามลูกพอไปทิศหลังก็อาทิตยละสองลูก <c oughs> แล้วก็ถ้าทานไปถึงสามสิบลูกนี่จะหายเที่ยวลูกกินหรอคะเที่ยวเรากินเลยจะ <c oughs> กินเข้าไปเลยอันนี้ตำรานี่บอกเฉพาะลูกติตเรานะอ่ากขอบคุณค่ะ